ตอนที่สี่ทวงคืนห0 0่หยวนซูมานอินยิ้มพลางเดินเข้าไปต้อนรับเจ้าเฉียนผู้อํานวยการเจ้าลําบากท่านแล้วค่ะซูมานอินเอ่ยอย่างเกรงใจพวกเรากําลังจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นไปพอดีถือโอกาสนี้แจ้งความเรื่องคดีบุกรุกต้นสับอีกรอบด้วยครั้งนี้พวกเราจะไม่ยอมความเด็ดขาดพ่อค้าแม่ค้รีบยอมรับผิดเถอะค่ะชินเสี่ยวเยเว่ปาดน้ําตาพลางเกลี้ยกล่อมหรือว่าอยากให้เสี่ยวซานต้องไปนอนกินข้าวแดงในคุกจริงๆ ชินเหรียนซาและหลิวอวีหงถึงกับหน้าถอดสีทันทีถ้าคุณดองผู้อํานวยการเจ้าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดทั้งนั้นครับใช่แล้วเขาพวกเราก็แค่มาเยี่ยมเสี่ยวเย่เว่เท่านั้นเองซูมานอินมองดูพ่อแม่ตระกูลฉินที่หนังหน้าหนากว่ากําแพงเมืองแล้วก็ได้แต่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแทนฉินเสี่ยวยาว่าอหากไม่ได้เห็นกับตาเธอคงไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีพ่อแม่ที่ใจคอกับแคบและไร้กาศได้ถึงเพียงนี้ เรื่องเงินบำนาญทหารไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เ, เรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเจ้าเฉียนเอ๋อด้วยสีหน้าเคร่งครึมก่อนจะหันไปสั่งการเจ้าหน้าที่ไวกลางคนที่ตามมาด้วยแล้ววังบ่ายนี้คุณไปตรวจสอบดูเสียหน่อยหากมีการยักยอกเงินไปใช้โดยมิชอบจริงต้องจัดการอย่างเด็ดขาดวังชีฟางขยักหน้าทันทีพร้อมยืนยันว่าบ่ายนี้จะตรวจสอบให้กระจ่างแจ้งชินเหลียนซาและหลิว อ, อวี๋หงได้ยินดังนั้นก็เริ่มรุนแรงทำอะไรไม่ถูก คือผู้อํานวยการเจ้าเข้าใจผิดแล้วค่ะทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดพวกเราแค่ช่วยเสี่ยวเยเว่เก็บเงินเอาไว้เท่านั้นเองใบหน้าของหลิวอวี้ของยับย่นจนดูเหมือนดอกไม้เหี่ยวแห้งน้าเสียงก็เปลี่ยนเป็นนอบน้อมลงทันทีเสี่ยวเยเว่รีบบอกท่านผู้นําไปสิลูกว่าเงินน้าแม่ออมไว้ให้รอให้ลูกจําเป็นต้องใช้เมื่อไหร่แม่ก็จะคืนให้เมื่อนั้นแหละใช่ใช่ถ้าลูกต้องการเมื่อไหร่พ่อกับแม่ก็นํามาให้ได้ทันทีเลยชินเหรียนซาน ร, รีบเอ่ยสมทบอยู่ข้างๆ เสี่ยวเย่เว่รีบอธิบายให้ท่านผู้นำเข้าใจเร็วเข้าชิ้นเสี่ยวเย่เหลือบมองซูมานอินซูมานอินจึงตบหลังมือของชิ้นเสี่ยวเย่เบาๆเธอตัดสินใจเองเถอะชิ้นเสี่ยวเย่าถอนหายใจยาวก่อนจะกล้าไปข้างหน้าช้าๆผู้อำนวยการเจ้าค่เงินนั่นพ่อกับแม่ช่วยฉันเก็บไว้จริงๆค่ะซุนอวิมิ่นและก็อย่าเห็นดังนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจด้วยความเจ็บใจที่อีกฝ่ายไม่รักดี แม้แต่เจ้าเฉินเองก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเขาอุตส่าห์ยื่นมือเข้ามาช่วยหนุนหลังให้แล้วแท้ๆทำไมเจ้าตัวถึงได้ถอยกรุดไปเสียเองแบบนี้ชินเสี่ยวเย่าเธอแน่ใจนะเจ้าเฉินถามย้ำอีกครั้งชินเสี่ยวเย่เวพยักหน้าฉันยืนยันแค่แต่ว่าชินเสี่ยวเย่าหันไปหาหลิวอวี๋หงแล้วคว้ามือของนางไว้พลางเอ่อยว่า พ่อคะแม่คะก่อนหน้านี้ฉันกับแม่เล็กซื้อตู้แช่แข็งแล้วก็สั่งทำป้ายหลุมศพไปต้องใช้เงินเยอะมากร้านนี้ก็ลงทุนไปไม่น้อยตอนนี้เงินหมุนเวียนไม่ทันแล้วพ่อกับแม่ช่วยคืนเงินที่เก็บไว้ให้ฉันหลายปีมานี้สักหน่อยได้ไหมคะซุนอวิมิ่นและเกาหย่าสบตากันพลางอุทานในใจด้วยความทึ่งช่างเป็นแผนถอยเพื่อรุกที่ยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าเฉีินดีตาลงและเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อฉินเสี่ยวเย่าใหม่ในทันทีลิวอวิหงและฉินเหรียนซานมีสีหน้าปัญญา เป็นไปตามพี่ซูมา่านอิงคาดไว้เงินพวกนั้นถูกพวกเขาผลาญจนเกลี้ยงไปนานแล้วในกระเป๋าตอนนี้สะอาดเสียยิ่งกว่าใบหน้าเสียจะไปเอาเงินที่ไหนมา่คืนแต่หากปล่อยให้มีการตรวจสอบเรื่องเงินบำนาญทหารเรื่องมันจะยิ่งยุ่งยากกว่านี้ทางเดียวในตอนนี้คือต้องบักหน้าไปหยิบยืมเงินมาคืนก่อนเออเสี่ยวเยเว่แล้วลูกจะเอาเท่าไรหร่ล่ะหลียวอวี๋หงถามอย่างเชิงอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเงินนี้จะเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้นะ ซูมานอินึกคำในใจที่แท้ผู้หญิงที่ล้างผ่านเงินเก่งขนาดนี้ก็ยังรู้จักคำว่าห้ามใช้เงินซูรุ่ยซูร่ายกับเขาด้วยชินเสี่ยวเยเว่พยักหน้าพลางคาท่าทางอ่อนแอแม่ขหลายปีมานี้ฉันให้เงินแม่ไปก็น่าจะสักสองพันหยวนได้เอาอย่างนี้แล้วกันแม่ให้ฉันมาสักหนึ่งพันหยวนก่อนเพื่อเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมคะหนึ่งพันหยวนเสียงของหลิวอวีหงหลงแหลมสูงขึ้นมาทันทีฉินเสี่ยวย่าวย่จะปร้นกันหรือไง ชินเสี่ยวซานพุ่งเข้ามาโวยวายอีกครั้งซูม่านอินจึงรีบก้าวออกไปขวางเพื่อปกป้องฉินเสี่ยวเย่อไว้เมื่อชินเสี่ยวซานเห็นซูม่านอินเขาก็ตกใจจนต้องถอยหลังไปก้าวหนึ่งมันมันเยอะเกินไปที่บ้านไม่มีพวกเราให้ชินเหลียนซาน ร, รีบพูดขัดคำพูดของชินเสี่ยวซานทันทีเงินบำนาญทหารของโจวไว้ตรงนั้นมีจํานวนหนึ่งพันหยวนพอดีหากตอนนี้บอกว่าไม่มีเงินให้คําโกหกที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ก็จะถูกเปิดโปงทันที ลิวอวีหงมองหน้าสามีและเข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ได้ในพริบตาเออเสี่ยวเย่เว้เงินหน้ฝากไว้ที่ธนาคารพ่อกับแม่ต้องไปถอนออกมาก่อนถึงจะให้ลูกได้ชินเสี่ยวเย่เวยพยักหน้าก่อนจะหันไปมองสู่ม่านอินแม่เล็กคะฉันต้องไปธนาคารกับพ่อแม่เพื่อไปถอนเงินขออนุญาตลา ง, งานสักครู่นะคะได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ทันก็ขี่จักรยานของฉันไปสิจะได้สะดวกหน่อยลิวอวีหงและฉินเหรียญซานช ง, งักไปพวกเขายังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปตอนนี้ ซุนอวหมิ่นและก็อยืยนอยู่ข้างๆพรางสังเกตการแสดงของฉินเสี่ยวเยเวแล้วจู่ๆ ก, ก็รู้สึกว่าสูตรการแสดงนี้มันดูคุ้นๆี่กลเจ้าเฉียนกลั้นคำไว้ในใจนึกไม่ถึงเลยว่าฉินเสี่ยวเยเวคนนี้ก็เป็นคนร้ายกาจไม่เบาเหมือนกันพวกเราจะกินข้าวกันที่นี่พอดีจะได้รอดูด้วยว่าเรื่องของพวกคุณคลี่คลายไปอย่างไรเจ้าเฉียนลากมา้านั่งออกมาแล้วนั่งลงพร้อมกับวังชีฟางเพื่อเริ่มสั่งอาหารเออเสี่ยวเยเวร้านยุ่งขนาดนี้ลูกไม่ต้องไปหรอก หลิวอวี๋หงรีบเดินเข้าไปหาพลางยิ้มจนหน้ายับเป็นรอยยน่นเดี๋ยวแม่กับพ่อจะกลับบ้านไปเอาสมุดบัญชีเงินฝากแล้วไปถอนเงินมาให้เองพรุ่งนี้จะเอามาส่งให้ดีไหมจ๊ะเหล่าวังบ่ายนี้ช่วยรวบรวมข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินบำนาญทหารหน่อยนะต้องละเอียดที่ท่วนดูด้วยว่ามีใครแอบอ้างรับเงินแทนหรือเปล่าเสียงของเจ้าเฉีินดังกังวานจนหลิวอวี๋ขงใจสั่นขวัญแขวนบ่ายนี้บ่ายนี้แม่จะเอาเงินมาส่งให้แน่นอนเท่านี้ก็พอใจแล้วใช่ไหม แม่คะให้ฉันไปกับพ่อแม่ด้วยดีกว่าคะ่ะฉินเสียวเย้าทำท่าทางเหมือนเป็นห่วงจะได้ถือสมุดบัญชีมาด้วยเลยพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเดินไปเดินมาหลายรอบซุนอวิมิ่นและก็อย่านั่งอยู่ข้างๆแทบจะกลั้นคำไว้ไม่อยู่แม่หนูคนนี้ก็จะกวาดให้เรียบทั้งหม้อเลยสินะไม่ลำบากไม่ลำบากเลยชินเหน ร, รียญซานรีเสนอหน้าเข้ามาพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละอีกชั่วโมงเดียวจะเอาเงินมาให้ลูกแน่นอน สหายซูมานอินผมขอเกี๊ยวต้มที่หนึ่งแล้วก็ทําอาหารร้อนมาอีกสองสามอย่างนะเจ้าเฉียนเอ่อยอย่างอารมณ์ดีค่อยๆทําให้ต้องรีบพวกเรารอได้ซูมานอินยิ้มพรางพยักหน้านึกไม่ถึงเลยว่าผู้อํานวยการเจ้าคนนี้จะช่วยสนับสนุนได้ดีขนาดนี้ชินเหลียนซานรีบดึงตัวภรรยาและลูกชายวิ่งหนีออกจากร้านอาหารไปอย่างลนลานพ่อครับแม่ครับพวกเรามาเพื่อจะเอาเงินนําไมกลายเป็นต้องเสียเงินไปได้ละ่ะชินเสี่ยวซานเ อ, อ๋ยอย่างโกรธแค้น อีกอย่างที่บ้านเราก็ไม่มีเงินแล้วด้วยนั่นสิเงินน่าใช้ไปจนเกลี้ยงแล้วจะเอาที่ไหนมาให้ละ่ะลิวอวีหงหลุดปากพูดออกมาพวกนักเลงหัวไม้ที่ตามมาด้วยพอได้ยินเขาก็โกรธจัดทันทีชินเสี่ยวซานแกบอกว่าพี่สาวแกมีเงินแล้วทอดทิ้งพ่อแม่ที่แท้แกหลอกพวกเราเหรอวะที่แท้สิ่งที่พี่สาวแกพูดคือความจริงพวกแกยักยอกเงินบำนาญเข้าไปแถมยังจะมาสูบเลือดสูบเนื้อเขาอีกไปให้พ้น พวกแกเองก็มาเพราะอยากได้เงินเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาทำเป็นรักความยุติธรรมตอนนี้เลยชินเสี่ยวซานตวาดอย่างโมโหพวกมึงใสหัวไปให้หมดพวกวัยรุ่นทำถ้าจะเข้าไปหาเรื่องแต่หลิวอวี๋หงกลับยืดอกเดินเข้าไปขวางจะทำอะไรหาไอ้พวกเด็กเมื่อวานซื้อไม่ได้ยินที่ลูกชายฉันบอกหรือไงถ้ายังไม่ใสหัวไปอีกเชื่อไหมว่าฉันจะขวัหน้าพวกแกให้เละเป็นแตงโมเลยพวกวัยรุ่นโกรธจนพูดไม่ออกได้แต่ชี้หน้าชินเสี่ยวซานพางด่าทอชินเสียวซานอย่าให้พวกกูเห็นหน้ามึงอีกนะ ไปตายซะชิ้นเสียวซันตโกนอย่างเดือดดานพอคิดถึงเรื่องเงินเขาก็ยิ่งหงุดหงิดพ่อครับแม่ครับจะทำยังไงดีล่ะทีนี้จะทำยังไงได้ก็ต้องโทรศัพท์ไปขอเงินจากทางนั้นนะสิลิวอวีหงรู้ดีว่าชิ้นเหรียญซานหมายถึงใครจะไว้เรอเขาจะยอมให้อีกหนึ่งพันหยวนจริงๆหรือหรือถ้าเขาไม่ให้ฉันก็จะแชเรื่องนี้ให้หมดเปลือกเลยแต่มันจะไม่ทันการนะสิ หลิว อ, อวิ๋งหลังเล่ต่อให้ส่งเงินผ่านโทรเลขมาตอนเที่ยงก็ยังถอนออกมาไม่ได้อยู่ดีท่านสี่ลืมไปแล้วหรือไงว่าเขายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่อีกคน